เมื่อเข้าไปชูสุมชนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นอยู่ของเราขนาดนี้เราควรวางตัวอย่างไรอันนี้ว่าอัตตันยุตามัตตันยุตาเป็นผู้รู้จักประมาณตนว่าสถานะของเราอย่างนี้ควรจะบริโภคอย่างไรควรจะใช้สอยอย่างไร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 พอตกหน้าฝนก็ไปทำอีกที่เขาต้องการแดกต้องการความแห้งแล้งมันไม่รู้จักการมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันปริลสันยุตาู้จักประชุมชนเมื่อประชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาหาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้ามาหาปร ะ, ประชุมชนอย่างนี้ควรวางตัวอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูด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 หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้น่ะสัพปริสัตตบุรุตสัตตพุรุษสัพปริสธรรมธรรมของสัตตบุรุตควรวางตัวอย่างไรเรียกว่าธรรมัญทุตาเป็นผู้รู้จักเหตุอัตถันทุตาเป็นผู้รู้จักผลอัตถัญทุตาให้รู้จักให้รู้จักตนมัตตัญทุตาให้รู้จักประมาณ ประมาณตัวห้องตัวและ ก, กาลันยุตาให้รู้จักการเวลาปริษัญุตาให้รู้จักประชุมชนชุมชนปริสัาประชุมชนประชาชนปุคลากรบริหารยุตาให้รู้จักบุคคลที่ควรครบหรือไม่ควรครบอย่างไรให้เลือกครบป ร, ปริษัญุุคลากรบริหารยุตา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 ในชาดกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อได้ยินแลก็สะเทือนใจนะนเนีสะเทือนใจแก่แคโอ้โหมันก็ถูกนะแต่มันก็ผิดนะแต่ก็มันไม่ควรนะแต่ก็สมควรนะเออมันทําไมยังเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อมาพิจารณาเออชาดกอันนี้ก็เรื่องนี้มันก็น่าคิดอีกเหมือนกันคือสองสาห์ยสองสหาสสหาย์ยอยู่ในเมือง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 เพื่อนเขาคงจะไม่ถือหนักศักใหญ่พูดคุยกันธรรมดาแต่ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาเราก็ต้องถอยออกต้องรู้จักกาละการสถานที่บุคคลนะ่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราวางตัวถูกนะไปอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดความสงบพร่มเย็นเป็นสุขความสบายใจก็มีเกิดกับทุกหมู่ทุกเหล่าปวอยนัน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 เห็นโอ้หลวงพ่อจึงรู้ได้ว่านี่แหละการวางตัวของแต่ละท่านของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเท่านถึงจะท่าน ถ, ถึงอยู่ในระดับไหนก็ตามท่านต้องรู้จักวางการวางตัวถ้าไม่รู้จักการวางตัวนั้นท่านจะเทศนาว่าการท่านจะให้คนเขาเหล่านั้นเคารพท่านได้อย่างไงเออไอ้เขาลวบหัวรวบหางอ่ะรวบอะไรไปหมดน่ย